อันนี้ไม่เทศสองกันนะแล้วไม่เทศสองกันท่านั้นก็เทไในคนตายฝั่งนั้นน่ะอ่าก็เทศในคนตายฝั่นนะออนนงอันนี้คนเป็นนะเราเรีกคนเป็นยังอ่เป็นอะไรก็เป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ มีบรรยากาศฝนตกทางเรายังตกปล่อยๆป็นอยยังไม่ท่วมมั้งคงปีที่แล้วเดือนเดือนอนี้เปล่ามึงร mm hmm. ไปนานกล้ามันษาเลยที่ด่านโดนก่อนเพื่อนเลย ยันงน้ำยังไม่ถึงกำลังลงก็มาจากทางเหนือนี่แหละของเราก็ถือว่าโชคดี หนึ่งเราอยู่ในเมืองกันเรามองภาพให้ออกมีที่ป้องกันแดดป้องกันฝนเราอีกมุมหนึ่งที่บุาอยู่กลางป่าข้างเขาทคุนดอยท้าจะอยู่ในสภาพอย่างไร นึกถึงกรูบอาจารย์เราสมัยก่อน <c oughs> อยู่ป่าอยู่เขาไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันแดดฝนที่มีอยู่ก็ป้องกันอะ้รไม่ได้กดก็ป้องกันอะไรไม่ได้โมงก็ป้องกันอะไไม่ได้เพราะหนักหนักเข้าอย่างนี้เราพึ่งอะไรไม่ได้เลยเอราอยู่ในป่า ถ้ถึงสมัยโบราณสมัยพุทธกาลยอ้อนมาถึงสมัยพุทธองค์ของพวกเราเอาแค่มอบก็ลายสราีบุตรซึงเป็นฝรายพระสารคุณของประวัติความเป็นมาหรือปฏิปทาที่เราจะควรจะโอเปนไอโคน้อมมหาอื่นฟัง พรจะสรียว ok ่าพระโพธิคลาพระพธคลานี่โดยเฉพาะพระโพธิ์คลานะคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่การแสดงธรรมหรืออะไรกันเลยแต่การฟังธรรมของผู้เจ้าจนสำเร็จพระมพคลานะหลังจาก ในเราการรประชาใช้บทแล้วคือบทแล้วเจ็ดวันส่วนพระสารีบุตรสิบห้าวันโอมายือบรรลุทีหลังแต่เวลาเวลานิพพานก็คือตายพลังก็จะกลับกันความบุคลาณะในนิพพานก่อน จะเลโกทิจิทัลก่อนบอกลาณนะั้นกันนิพพานที่หลังมักลับกันสิบห้าวันเช่นเดียวกันมันบอกลาณนะั้นพูง่ายคือตายที่หลังให้เดือนเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันเมันไม่ใช่พบชาตินี้ชาติเดียวมันหลายภพหลายชาติมาแล้ว ถ้าสมัยวัยรุ่นไปไหนก็ไปด้วยกันเที่ยวไหนก็เที่ยวด้วยกันแสดงจะเป็นที่มาว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีบังเอิญแต่ว่าคนลสมบัติพิเศษของท่านวอคลคานอะคือถ้าเป็นคนใฝ่รู้ดูสมบังหาของดูอยู่ตลอดเนาะไปดูการละเล่นซึ่ง บคุคคลทั่วไปกับมองที่ความเื่นเอิ ง, ง, งความบันเทิงแต่ทางกำมงปฏิปัญญาก็คือบคุคคลที่กระตือรุ่นในการศึกษาในครือขุนสมบัติของท่านเสียงหาครูบาอาจารย์จนสุดท้ายก็เสียงหาครูบาอาจารย์เสียงหาบ่งประธรรมเพื่อทำที่ความมงุงหลุดพ้นซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักพระเจาะ้าครูบาอาจารย์เสือ สัญชัยซึ่งเป็นบุคคลที่คนเคารพนับถือสาธารสิทธิ์เยเขก็ไปเรียนรู้ศิลปะวิทยาดังหลายแนวสุดท้ายอาจารย์ก็สอนได้เท่าที่สอนได้แค่นั้นก็เลยลาอาจารย์ไปหาครับคนใหม่ ได้เจอผู้ดีเจ้าจึงได้ขอบรรพชาอุสุนหมดพะมการาณะบรรลุธรรมพิเศษเลวโอหัสสามข้อไปแสดงคุณที่เจลิญขณะอันเนื่องมาจากมันไปปฏิบัติธรรมหงค์เดียวแล้วเกิดความง่วงหนาวหานอนนั่งสมาธิ์ประงก ที่นำไปพักเข้างมงผู้ทธเจ้าซึ il, n, ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ที่นั้นมองเห็น้วยพยามก็ไปแค่ความงงงงร้องร้องของโมลามโะให้อวารสามข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเราก็สามารถที่จะใช้อุปมาอุปไยนี้กับตัวเราเองได้ เราเกิดควา ม, มง่วงนอนหรือเกิดความเท่ยังมีกำลังก็ดูผูู้เจ้าให้อวดท่านมุคลาะเมื่อแก่ของมง่วงงนอนอย่างไ ร, รสุดท้ายก็คือมุ่งไปที่สติันคนที่มันง่วงเงงนอนก็คือสติสติมันอ่อนถ้าปองหงงงนอนก็หาวิธีสารพัดเดิน เดิสาธยายคือสวดนี่นแนี่ก็คือพลันง่สาธยายมนต์แล้วระเดินอ น, นามลุกหน้าลุกเท้าแวยาวที่ให้สติอยู่กับกายใช้คำอย่างนี้มว่าอยู่แน้อ่ใดก็ตามให้สติอยู่กับกาย ไ, ได้ใ น, นโดยสรุปกับ่าวที่จริงละเอียดมีเยอะวันนั้นจนสุดท้ายท่านก็บรรลุ เมื่อท่านบอกลังเพราะนั้นทั้งสององค์สองท่านพวกขลนะังอท่านบรรลุก่อนพวกสริวทที่หลังจึงมีรับการย่อยอมจากพูะเจ้าหรือเอกตตะคะทางผู้มีฤทธิ์ฤทธิเดนีเพราะนั้นคือเราได้ยินได้ฟังบวกเทวดาฟ้าดินนรกสวรรค์ก็คือท่านบกขลางเนาะ เป็นผู้ไปโปรดแล้วก็มาบอกต่อแก่ชาวโลกเราจะรู้เป็นที่มาการ ส, สร้างสรลนตาพพอเพราะว่าพระวิ่กงการทําเที่ยวอยู่ในโลบน้อยด้วยไงคือพบน้อยพบใหญ่ผูง้งานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพบน้อยพบใหญ่เป็นยังงมีจริงและที่สําคัญคือพบ อ, อื่นที่ผู้งานขึ้นโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ ออกกลางละท่านก็ไปไปหยนหาทางกลับไม่ได้สดงอีมิติหนึ่งโลกหนึ่งเไม่รู้เราจะเรียกว่าเวฟโอโนด่างดาวแล้รกัแล้วแต่ใน พ, พุทธในพุธการนี่มีจริงเพราะนั้นจั ก, กรวาลมันไม่ใช่มีข้างเราอย่างเดียวมันได้ไปเคลื่อนไปสู่ามันกว้างใหญ่ไปสั่งขนาดน้นอธิกรรมกันกคือพบ นี่คับว่อื่นโดยความหมายเขาเรียกว่าน้อยพบใหญ่พบน้อยคืออะไรพบใหญ่คืออะไรและคนที่เที่ยวอยู่ในภพน้อยพบใหญ่เนี่มีคนประเภทไหนการพวกเราล้วนเป็นนักต่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยภพใหญ่มันมองมันมองพบน้อยหมายถึงอะไรพบไหน่หมายถึงอะไร ทำไมจไ้ากระบอกพบคนที่อยู่ในภพนั่งองค์ประกอบคืออะไรพบน้อยพบใหญ่ก็คือพบที่เรามองเห็นกระมองไม่เห็นนะพูดง่ายๆอย่างนี้พบน้อยคือนรกเปรตสุรกายสัตว์ลอยฐานพบใหญ่กรามองไม่เห็นคือรู ป, ปรพพอรูปภพคือพรหมตัวน เขาเป็นภาษางานคือพรหมเพราะนั้นโดยสอบภาษาทั้งหลายภาษาแต่เนี่ยปุ่นยังคล้องอยู่แม้พรหมก็ยังติดยังไม่พ้นก็อยู่ในภพหล่านี้ภพหลอนนี้ถ้าพูดถึงภพเราจะพูดถึงสัตว์ที่มีขันเกี่ยวกับขันถ้าไม่มีขันสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้ เรวเป็นกองๆๆๆกองกองอย่ารอครับพู้ใงไง็คือรูปถ mm ึง hmm. แม้รูปนั้นอาจจะเป็นรูปหยาบอย่างที่พวกเราเห็ น, นเดือดเดืวดหยางแล้วก็รูดละเอียดแต่ที่น่แน่คือที่ใดมีพบที่นั้นจะมีรูปสมอไว่ว่าจะเป็นรูปหยาบหรือรูปละเอียดเกิดเพราะ เหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์คือคนโดยความหมายคือรูปกับมอมสิ่งแวดที่มีรูปนามจิตมีของมีมมกียว่าขันภพอื่นก็เช่นเดียวกันเขาจะเป็นต้องมีรูปรือขันรูปประขันหรือรูปประขแต่แม้รูปนั้นเป็นรูปเกิดจากการถ้าป่าเราคิจินตนาการคือภาพพ มีแค่รูปหยาบอย่างพวกเราเนี่ยแต่มันต้องเพราะถ้าไม่มีจิตจเรือนนามเนะี่ยมันจะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะไม่มีที่อยู่ในความหมายทีย่เรียกว่าที่เรียกว่ามีภพที่ใต่งมรมรูปหลันะองค์ประกอบของเขาก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาอภิธรรมซึ่งเรามาค่อยเข้าใจ ก็ไปคิดว่าอาวิธร ม, มันละเอียดจนไม่สามารถจะเข้าใจจริงๆมันไม่ใช่อวิธรมโดยสรุปก็คือก็พูดถึงจิตและสิ่งที่ประกอบอยู่ในจิตคือ เ, เจตสิกก็คือกิออเลสทั้งหละที่มาเกาะอยู่ในจิตโดยสอโดยสจิตเตสิกรูปจิตเตสิกงมันต้องเกาะใส่รูปอยู่คือเกาะรูปอยู่ตัวสุดท้ายคือนิพพาน จิตเตระศิขให้มันเกิดดับเกิดนับในคุณสมบัติของเขามันเกิดขึ้นท้งหยุดดับไปพวกไงก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายนพูดถึงเขาจิตเกิดพูดถึงการเกิดดับเราใช้คําว่าเกิดนับแต่ใช้กับสัตว์นั่นเรียกว่าเกิดตองเกิดตองแต่ใช้สภาวะที่เปนนามเรียกว่าเกิดดับไม่เรียกว่าตายเพราะฉะนั้นสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับ สิ่งที่มีรูปอยูสมอคือเกิดดับเกิดดับแล้วเกิดตายตสิทธิสาร菩萨ทั้งหลายมันไม่เห็นไม่เห็นการเกิดการดับไม่เห็นการเกิดการตายพดูดอย่างไงอันนี้คือสภาวะที่ประจักจึงเป็นที่มากวอาสร้างสรรตามเพาะ ว, ว่าเพราะว่ามันจึงต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อันนี้ มนคืนรกเปรตสารุศาสตร์อิรกายแลก็รูปพูมิรูปพูมิปูง่ายๆเป็นภาษาเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นสามอย่างเนี่ยจิตเจอสิกรูปเราเคยรู้คำน้ำพูดง่ายๆเขาไม่พูดถึงนิพพานเพราะเรายังไม่เห็นการเกิดการดับเพราะนักคำดับนั่นคือนิพพานแต่ตอนนี้เราไม่มีการเกิดการดับ เราไม่เห็นการเกิดการดับของมันไม่เห็นการเกิดขึ้นเดินกันตั้งอยู่ไม่เห็นการดับไปของมันของมันก็สิ่งเหล่านี้จิตเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยภาพโดยทั่วไปอยู่โดยภาพรวมแลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทา ย, ยากแยกต่อพปลี่ยนวิธีเราไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นว่ารูปมันเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ ยิ่งตัวหนาบยิ่งม่ต้องเอาพูดถึงหนึ่งเอาแค่รูปที่เราเห็นด้วยตาเนี้ตาหนังตาทั้มดเรายังไม่เข้าใจระบบวงจรของเขาวงจรเขเข้าเป็นยังไงหมาว่าเป็นรูปคำว่ารูปแต่นี้ก็คือขันนี่แหละขันก็คือมีขันห้าขันสี่แล้วก็ขันหนึ่ง แต่คันสี่กับขั้นหนึ่งเป็นเป็นรูปที่เป็นขันที่มันละเอียดจะบอกว่าเลือแต่ขั้นสี่ก็ยอมได้เลือแต่ขันสี่เมื่อไหร่จิตของเราก็ไปเสวยอย่างเดียวไปทำอย่างอื่นไม่ได้จะเว้นขันห้าที่เรียกว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลา ย, ลยมันถึงจะเข้าใจแล้กก็จะเป็นไปด้วยความละทอนปล่อยวางได้ ทงนี้ประเด็นคืถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่อ ง, นนรองมร เ, เรื่องของเห็นก็เกิดความมรหันตครอบงำไม่เข้าใจเรื่อ ง, งเหล่านี้เรื่องนี้ท่านโมคลานะอธิบายละเอียดยวันนี้ทำไมถึงย ก, ยกท่านโมคลานะขึ้นมาขบอกว่าท่านโมคลานะอธิบายเรื่องนี้ ท้องหนึ่งท่านโดนผู้หญิงผู้หญิงเบียดเดียนผู้หญิงไม่ดีอ่ะครับผู้หญิงไม่ดีก็แล้วกันเป็นภาษาเราแต่ภาษาโบาราณก็ไม่เรียกว่าอย่างนี้อย่ามาทุกขามถ้าพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงคนนี้ในเมืองเนี่ย คนที่มีตังอาบดีสอตีราชามาเขาได้ครอบครองหมดอ่ะผลอย่างนี้แล้วกันเพราะมุคลาล่ะคือเป้าหมายนะคนอื่นที่ได้ดีฉันไปหมดแล้วราชามาตากาบดีคนมีเง ม, ม, มีตองสมารถซื้อได้สำรัดท่านแล้วหมด ถวายคือเดีดูความเร็วของมันคือให้ฟรีพูดง่ายๆ ไ, ไม่ต้องไปซื้อไท้ายก็จะบอกว่าโสพภณีนคร ก, ก็ยังได้อู้หยิงคนนี้ก็โดนติดลูเลนมาตลอดาาลพระมรรคนะครับพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าจะปราบมันก็ยอมได้เพราะท่านเป็นคนมีมิตธ ท่านก็ปราบปราบผู้หญิงคนนี้โดยอาศัยท่า น, นีีอยู่้าให้มีนนอม อ, นออกทางหืต่างๆเจาะยยยะไปหมดแต่การเที่ยบอุปมาอุปมยัยว่านี่คือสำหรับคนที่มมีปัญญาคนปุ้ิุชนคนธรรมดาก็จะมองว่าเธอเป็นของสวยของงามของหนอมเป็นที่ต้องการ สำหรับผู้มีปัญญาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าก็จำมองเธอเป็นเหมือนของเน่าของเสียมูดคูดอุจจาระเพราะความจริงเป็นเช่นแต่คนไม่มีปัญญามองเห็นเป็นของสวยของน่ารักน่าใครน่าพอใจจึงไปเต็มมาเขากามะคุณก็ไปฝองพระพุทธเจ้าอธิบายขยายความอย่างนจนสุดท้าย ผู้หญิงหนึ่งก็ยอมรับเพระาะว่าที่พระคุณชาที่ท่านพูดเนี่ยทุกทุกอย่างก็ยอมสิกราบเนี่ยถ้าเป็นผู้อื่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้ทีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นวันนี้เกง่ยวกัยกพระโมคคะเป็นอย่างว่าหนึ่งพระองค์คอองคท่านเป็นคนที่มีฤทธิ์แต่ที่สําคัญคือท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อหน้าพุทธองค์ต่อหน้าใครก็แล้วแต่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนต้องการความเงียบความสงบสมถะเรียบง่ายอยู่เป่าโดยเฉพาะไ อ, อ้ทูดองขาวเจนบินะบาตเป็นวัดรับองค์ของที่ตกใส่บาตเท่าดังลุกไปแล้วก็จะไม่รับอะไรอีกเป็นคน ผู้หนึ่งที่ถือว่าธุดงขาวัตรนอกจากท่านมหากาาัสสะเป็นคนหนึ่งที่ถือทุดงขาวัตรอย่างเคร่งครัดสุดท้ายถึงแม้ท่านจะมีฤทธิ์มีเดชกระต่า น, นก็ตามพตก็โดนศัตรูคือคู่เกา่ากรรมเก่ า, กาตามเบียดเบือนโดนทบ คทรมานแต่ท่านก็ไม่ตายเางน้นแต่ว่าสุดท้ายก็บอกเราก็หนีกรรมไม่พ้นใช้อำนาจหมดเสียเหตุเพราะในอดีตชาติท่านเคยไปทำร้ายบุพการนี้ไม่ได้สุดท้ายก็เคยยอมเะเาอยากกระทบเขาทุบ ทุกจนละเอียดจะเหลืออะไรเหลือที่จิตเท่านั้นะส่วนที่เป็นรูปไม่เหลืออเลยที่เป็นรูปรูปประคั่งไม่เหลือที่เป็นขันธ์ก็เหลือแต่ขันธ์สี่ก็เข้าวชานอดีตฐานจิตเพื่อรวมเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ้่กราบโทนหลงพระพุทธเจ้าคือประสานเพื่อไปกราบโทนหลพระพุทธเจ้ า, จานี่คือความน่ารักนะ ของสาวกทั้งหลายเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จุดภาษาเราง่ายๆเป็นคนที่จุดไฟเผาด้วยพระองค์เองพระมุคลานะนี้ขเขาเผาด้วยพระองค์เองนั้นคำเก่าที่ว่านั้นคือจะเจนว่าทำไมครูบาอาจารย์เอายุคที่เราเห็นเห็นอยู่อย่าง ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเราถ้าเป็นพระอริยะพระอาหารหันแล้วทําไมต้องมีโรคภัยบิดเบือนทำไมต้องสาราพัดคนนั้นคนนี้คุณโนโดเบิดเบืนอนเราไม่รู้ความเป็นไปความเป็นจริงท่านต้องการใช้ให้มันหมดอายุคนี้หลายองค์ที่กว่าจารที่ได้รู้ได้เห็นได้ไปอยู่กับท่านไดอะไรก็ตามเช่นลงุงบ่ราเป็นตน้นลุงบุราท่านเป็นโรคคนนี้โรคไซเอน โลกไสเลื่อนท่านท่านเอาให้ดูไ้ท่านไดอ่านผู้ลองเวลาส่งน้ําท่านเน่ยท่านก็จะจับไล้วเพาะว่าที่เป็นเจ้าโลกท่านเรียกว่าเจ้าโลกว่ามันมีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วนี่คือเจ้าโลกท่านบอกแต่ท่านก็จะจับปิดไว้เจอส้วงที่เป็นรูกอันที่เป็นไสเลื่อนนั่นท่านใครดูนี่เขาเรียกว่าเนี่ยก่อนทุกข์ท่านบอกก่อนทุกข์ แต่ทั้งก็ยังปฏิบัติศา ส, สนงกิจเหมือนเดิมบินทาบาททั้งๆที่เดินสิบข้าวยี่สิบข้าวมันก็ลงแล้วก็ตะมานั่งดิงให้มันเข้าที่กระถามก็ไปต่อทรมานมีคนถามท่านว่าคนรูกศิษย์ลงหาพร้อมที่ไปผ่าแค่เย็บแค่นั้นมันก็หายแล้วมันก็ไม่ลงแล้ว ท่านบอกว่าบบโลกกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกแก้อย่างนี้ยังอื่นมันก็จะมาอีกแก่อย่างนั้นยังอื่นมันก็จะมาอีกมันไม่หมดไม่ซึ่งมันเป็นกรรมของเราเองเห็น ไ, ไหมครูบาอาจารย์สุดท้ายถ้าองใช้ใช้ใช้จนหมดทรมานกระดานไหนจะใช้จนหมดในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียกันแงค์แต่เทลุมุขเช่าเส้นเดียวกันเราเจริญบุปพกรรมตลอดองค์ท่านก็ยอมแล้ว หรือใช้ทําั้งหมดจ้กรรมันมันต่างตามทวงตรงพระโมฆลณะก็เช่นเดียวกันว่ากรรมที่ทำกับพ่อแม่นี่หนักถ้าไม่ใช่พระยอกราหันนี่ไม่มีทางหลุดพ้นกับสิ่งเหล่านี้ก็ยอมอันนี้คือพระโมฆลนาพระสารีบุตรนียตนที่จะในพาน ภาษาบุนี้ท่านนิพพานก่อนมอคลามะประกาศสุนทราบุญเจ้าแล้วก็ไปโปล่ทาโปล่แม่เพราแม่ไปโผล่ที่ไม่ค่อยได้สดแจกของผู้นิมิตบ้างสุดท้ายก็จะตายกแย้งกันอีกสาราบุตรถ้าใครไปเที่ ย, ยวเนี่ยก็จะเห็นบ้นอันี้พระอักครสาวกที่เป็นองค์ดิเดิมที่ยกเป็นตัวอย่างของพวกเรา ทุกคนล้วนอยู่ในที่เงียบสงดเ ส, สนาสนะอันสงนิซึ่งต่างกับพวกเราไม่เป็นไปผู้คนผู้คีตีโมงถึงแม้จะคู่คีตีโมงหรือจะพูดจะจาอะไรก็ตามจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งที่พูดนั้นต้องเป็นอัจเป็นทำเป็นประโยชน์ทั้งตะเิงและผู้อื่นถ้าพูดไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่พูด อันนี้คือภาษาอกในสมัยพุทธต่อนมีปกติเป็นอย่างนี้ซึ่งต่างกับทุกวั น, นในขณะที่พุธเอายังต้องอยู่เจ็บมือีกใครที่แสดงปฏิกริยาออกหน้าออกตองแบ่อือ่นเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสายเราสายกระบาอาจารย์ตอนหน้าคระบาอาจารย์จะไม่เคยแสดงก็เป็นอันรู้กันนึกบอกว่า ไก่ป่าขันตัวเดียวมันชัดเจนยังไม่ขันจะไม่แสดงอะไรได้มันเกินครูบาอาจารย์จะเคารพจะให้เกียรติครูบาอาจารย์อันนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลไปถึงสมัยพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นล้วเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจจริงว่าในอดีตก่อนนอค น, น, นที่จะเป็นมอคลาสารีบุตร หรือพบอื่นเดีสร้างสรตาประ ว, าาระวาาัเลยทั้งเทียอยู่ในพวกน้อยพวกใหญ่ล้วนในอดีตมีความเกี่ยวเนื่องกันโดยพวกกันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาตลอดหลายพบหลายชั้ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเกี่ยวข้องกันมาตลอดนั้นจึงบอกทุกอย่างมันไม่ใช่บังเอิญเพียงแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มาแที่อยู่ มันถึงได้เป็นอย่างนั้นันน้นก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนว่าเ็าจะเอาอยู่ในพบน้อยพบใหญ่หรือจะพยายามให้พบชาติถ้ามันน้อยลงก็ตั้งตั้งปอเอาไว้ปธมบบามพระบ๊อบกาลาสารลบุตรถึงมาเจอพระพุทธเจ้าเต่าก็ตรัสสรุปตทั้งได้องค์อื่นก็มีเยอะๆเพราะท่านตั้งความปรารถนาเอา พระพุทธเจ้าก็ศดดาสาในสปนก็พรยากอออกไว้อธิษฐานเอาไว้ว่าขอเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานีเป็นที่มาที่ไปถึงแม้ภพชาติในอดีตชาติเป็นกับเป็นกับเจียามาเจอพูุทธเจ้าในพุทธันดร น, นี้ถึงได้ประสบความสำเร็น่ะอันนี้คือที่มาที่ไปเพราะนั้นปฏิปทาทั้งหมดทั้งปวงหลายองค์หลายท่าน ที่ผ่านมางก็ดีความจริงเราน่าจะศึกษาดูว่าถึงสาริบุตรก็ดีโมคลานาก็ดีพระอนนท์ก็ดีปฏิปทาที่แท้จริงของท่านไม่ใช่อย่างที่เราแค่คือรู้เคยเรีนเคอ่านในตำราเจนผาอนนท์ก็เป็นพระอุปทานแย่เดียวจริงๆได้มีความสามารถอื่นเยอะแยะมากมายเช่นพระโมคลานั้นถือว่าท่านเป็นยกกอย่างคือเป็นพระนวกรรมคือก่อสร้าง สวัหนึ่งที่นางวิสาขาถวายบุภาลามควนสวนดอกไม้ยกสวนดอกไม้สําเป็นวัดเรีือบุภาลามคนที่ซักออกแบบดูแลผู้กัแบแหวกคือท่านโมกขาลามนะ้อนี่คุณสมบัตนะิเนาะที่พวกเราบม่ค่อยรู้ความไม่ใช่ว่าเพิ่พรผู้มีรยยเยเ ร, าาริศอย่างเดียวเป็นอาฆาสาพวกอย่างเดียวคุณสมบัติอย่างอื่นมีอีกนงะ เป็นคนที่มีความรู้สา ม, มารถทคูสะบัดเคยเป็นคนใฝ่รู้เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะอปิดใจก็น้อมมาหาตัวเองฝ่รู้นี่มากระหว่าที่ผ่านมาทางหูทางต่างๆก็ดีเช่นไปดูมหาวิศในสมัยนั้นกลับไปเป็นเพื่อนไปเป็นคู่กันดูกันแล้วเล่นกัน แ, แสดงมาหลายหล่สุดท้ายก็ดูเพให้เกิดปัญญามันดูเพก็อขเพื่อเพลิดเพลินใจเหมือนคนอื่นก็เห็นจนเกิดความเบื่อนหน่ายว่ะ ไม่มีสาระไม่เจออันใดเลยจะเป็นที่แสดงหาโมฆะธรรมท่านก็ทำบุคคลหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นจึงชวนกันออกด้วยสวยงามาอบอุคคลองหาคูบาอาจารย์นะพนูดงงแล้วโชคดีได้ได้อาจารย์ดีโดวยว่าอาจารย์คนแรกคือสันชัยไม่ใช่พุทธเจ้าคนแรกแนตะ่ได้สันชัยหลังจากสันชัยแล้วจึงเจอพุทธเจ้า อันนั้คือที่มาที่ไปเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่เริบต้นมาอย่างนี้มันแสดงเห็นถึงว่ามันไม่ได้มีเหตุปัจจัยอยู่ของมันอยู่มันไม่ได้สักแต่ว่าเข้ามาภาวัสเข้าวาในภพนิยชนี้นะแต่คนไม่มีบุญเก่ามีวัฒนาบารมีเก่าป่วยคือไม่มีทิสัยอันยาก จะเห็นว่าทุกวันนี้นใครบ้างที่เข้ามาเข้าว้าปากโก้ขึ้นูงที่เราเลือกกาลยานมิตรมีใครบ้างเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันทํางานรุ่นเดียวกันเยอะยะมากมายเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิด เ, เพืเผื่อว่าเพื่อนที่มันไม่เอาเรื่องเอาราพวพอๆละมั่งจํากัดเอะไรไหมส่วเนเพื่อนที่ดีกาลยานมิตรควรเสียงของ เรีวาควรจะเพิ่มอย่างเช้าหลวงพอพูดสองคำคือเพิ่มกับพออะไรที่เราควรจะเพิ่มในชีวิตหรือว่าบวกก็ควรจะเพิ่มอะไรที่มันจะพอมาถึงกับลบเอาแค่พอคนควจะพอได้หรมั้งหรืออื่นเรื่องโลกเรื่องอะไรเราควรจะพอไดี้ยนะเพราะเราก็อยู่กับโลกมานานแล้ว ทำเพื่อโลกมานอนแล้วเอาเพื่อทําโลกนะทําให้คนอื่นเขานะแต่ทำทำให้กับตัวเองอยู่ไปที่หมาโลกนั่นคือสตังทำนั่นคือสติหาสตังมาเยอะอยู่กับสตังมาเยอะหาสติคืออยู่กับตัวเองมั่งเพระจากนี้ไปคือสร้างสรรตาเพระบาเพื่ อ, อะจะทัองเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แต่เป็นโชคร้าก็อยู่นะ พบที่มันไม่ควรจะไปท่นารกอกเปิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายครงามปัม่นนะเป็นมนุษย์ถว่าโชคดีมากๆเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เกิดไปพบอื่นนะโอ้ยุ่งเลยจะยุ่งกว่านี้ยุ่งมากแล้วเสียเวลาเป็นพบเป็นชาติเลยพราควาจะเกิดควาจะตายแต่ละพบแต่ละชาติต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ยุง่งหกวันเจวัน ถ้าเป็นพวกอย่างเอ่มีทัศน์ศีกันห้าเหมือนเราช่างมา้าบุกควายมูมา้ากาไก่กุ้งหอยปูปลามีนขันเหมือนเราหมดอ่ะจะทําอะไรได้บ้างช่างมา้าบุกควายมีขันห้าเหมือนเรานาะจะทาอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเรามาครั้งนี้ต้องบอกว่าครั้งนี้น่าจะแสวงหาหรือทําให้เกิดประโยชน์ กับตัวเองสือจิตเนี่ยให้มั่งศึกทักที่มากได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจสภาวะอย่างนี้เรียกว่าสภาวะธรรมที่มาเกิดอยู่อย่างนี้เราก็จะไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องมองรูปคืออะไรนามคืออะไรรูปควรจะอยู่อย่างไรนามควจะอยู่อย่างไร้คไรวควรจะพิจรารณาตอนไหนให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ตราบที่เรายังแยกไม่ออกกับรูปก็คือดินน้ำไฟลมมันนี้พอพูดถึงรูปทันทีนึกถึดินน้ำไฟลมทันทีพอมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แยกกันแต่ในตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดหลักการภาวนาคือมารวมที่ตัวเราทั้งหมดแต่เรื่องโลกเรื่องธรรมยู่ในตัวเราเอ ง, งหมด เรียกว่ามันต้องไปดูแล้วเรื่องอื่นคนอื่นที่อื่นพบอื่นมันต้องไปดูดูเราอย่างเดียวให้มันถ้าดูเราจบดูนะก็คือพิจรารณาวิปัสสันดูตั้งแต่ต้นว่าท่าจิตจิตของเราเนี่ยตัวที่ทําให้จิตของเรามีคุณค่าเนะีะคือสติ สมาธิปัญญาสามรมสามปัญญาถ้าจิตของคนสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติไม่มีสมธิไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้ว่าจิตดวงนี้มันเป็นกุศลอกุศลหรือว่าเฉยๆคือสภาวะจิตจะไปโทษจิตเขาไม่ได้เพราะเราไม่อบรมเขาให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญา เราอบรมได้โดยสติสมาธิปัญญาคือสอนเขาได้แต่เราไม่สอนเราไม่อบรมจิตมันก็เป็นของเขาอยู่นั้นก็คือซ่อหมองก็คือกิเลสถ้ากิเลสมามันก็เศ่อหมองเป็นธรรมชาติของเขาบกุมยิดบังอึมครึมนบรนิเรณอากาศาอนนี้นมันไม่แจ่มใสไม่ไม่โปร่งใส มองไม่เห็นสภาว่าจิตแท้จริงในจิตที่เป็นกุศลถ้าจิตที่เป็นกุศลมันอีกแบบหนึง่งทอนี้รู้ได้ไงมันในขณะใดถ้าจิตเราเป็นกุศลอกุศลเฉยๆสติสติอันนี้มันมั่นคงไหมสมาธิและปัญญารู้ได้ไงว่านี่นคือกุศลนะนี่อกุศลนะ นี่เฉยปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดสภาพจิตเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเด็กจะไปโทษมันเด็กดีเด็กมันดีเด็กยุ่ไม่ได้เพราะไม่นแค่อุรมมันมันไม่การเรียนรู้เด็กไม่การเรียนรู้ถ้าเกิดมาแล้วเราไม่สอนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเอบีซีดีก็ไกลก็ขายนี่งซับซี 4. ไม่มีทางที่ยวรู้รเลย มันเป็นคนเหมือนกันนะแต่รู้เรื่องมั้ยก็ใครก็ใครอ่านอะไรเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องว่าอะไร a อบซดีเห็นแต่ไม่รู้รว่าอะไรประกอบกันแล้วผสมกันแล้วอ่านว่าอย่างไรอ่านแปลว่าอะไรเพราะมันไม่ครบมันครบคือสติสมาธิปัญญามันไม่ครบกระบวนการมันไม่ครบขอรับตั้จากสติคือไม่รับรู้อะไร มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้ะไม่เคยรับรู้อะไรเหมือนร่างกายธาสีกับธาตุขงเรามันเกิดดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดแต่ใค่จะมีความรู้คือสติสมาธิมีความเข้าใจสิงนี้ปัญญาหมดสิ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายสุดท้ายมันก็แยกย้ายกันอยู่แยกย้ายกันไปตามธรรมชาติแต่ตัวที่มันแยกย้ายกันไปเสร็จแล้วจิตมันจะไปไหนทีนี้คือนามตัวนั้น่ะ มันจะไปไหนมันก็หาที่รูปไปถ้าไม่รูปนั้นมันึเป็นรูปถ้าเราไม่เข้าใจเสิ่เหล่านี้ขาไม่เข้าใจนะกระ บ, บวนการ เ, เรือนรู้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยเบื้องต้นจากหยาจากคือรูปละเอียดอันนี้คือการหาอาหารที่เราเห็นกันนี้รูปผู้หญิงผู้ชายสูงตามดำขาวชั่วนี้อยากจนอันนี้คือรูปหยาบๆในี่ยรู ป, ปรจานหะนึ่ะ ลึกเข้าไปอีกถอนเข้าไปอีกถ้าจิตที่เป็นสมาธิอันนี้คือสติจิตที่เป็นสมาธิเราจะเห็นแม้แต่ขณะเลือกขันธน้กาชั่วครั้งชั่วคราวก่อนที่มันจะสงบมั น, น, ม น, นวับแววแบนแบนเหคนง่วงเหงาหอนนอนสบงบอย่างนี้เรียว่าขันธนิกาะแต่ว่าสติคือตัวแรกนะมันไม่มันไม่ได้เยอะ มันได้เกิดความเงห่องนอนคือมันหลับหับตื่นตื่นรู้เรา่องอะไรบ้างคือรู้ตัวไม่รู้ตัวพูดง่ายๆอย่างอาเรือนนกันต์นะจ๊ะอุปจาระลึกเข้าไปอีกนั่นคือสภาวิจิตันไม่เกี่ยวกับกายอะ ต, ตัวนี้มันลึกเข้าไปอีกในอุปจาระเนี่ยแต่มันรู้มีสติรู้ตัวรู้ตลอดเลยสติสัมปัญญะและสัมปชาโนรู้ตัวตลอด่ถ้าตัวที่ ทำให้สติสัมปชัญญะตัวคืออาตาปีคือความเพลินความเพียนมาต่อเนื่องไหมความเพียนมันเยอะไหมมันไม่พอเหมือนกินอาหารกินนิดเดียวจใจมันอิ่มันก็ไม่อิ่มอาตาปีความเพียนเราไม่พอลึกขึ้นไปอุปจาระมันเข้าก็ลึกขึ้นไปอีกไปที่ระดับของจิตแต่มันรู้อืในระดับนี้ยังเกิดปั ญ, ญง สมาธิรับรู้ได้แล้วก็จะ ย, ยกขึ้นมาให้มันพิชิตไดให้มันเกิดปัญ ญ, ญาแต่ถ้าการท่านพักอัปนาสมาธิคือตัดสิ่งเหล่านั้นเลยไม่มีผัสสะใดๆที่มันรับรู้ข้างนอกคือทางตอนทางหูทางๆเรียกว่ากายเรียกว่าเวทนาก็ได้ที่เกิดขึ้นกับจิตพอตอนนั้นมันเกี่ยวกับจิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกายแล้วมันไม่รับรู้ว่าเออสุขะเป็นอย่างนี้ทุกขะ เ, เป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้มันลึกไปกระทันมันวางทั้งหมดทั้งปวงเลย กายนี้มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเจ็บง่งอ่อนสรงเป็นไปตามโลกเขาอย่าให้ฝนตกฟ้าร้องมันไม่รับรู้คือไม่รับรู้ข้างนอกนี่ว่าอภารมันได้พักพักจริงพักจะไม่รู้เรื่องรู้ราวคือไม่รับแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อันนั้นไม่เกิดปัญญาละแต่มันจะได้กาลังจิตมีกําลังมีพลังเนีถ้าเราสามขั้นตอ น, น, นอั้นนี้คือ แบบนอกๆธรรมดาทั่วไปอันนี้คือยากแล้วนึ ล, ลึกเข้าไปอีกรู้ข้างในรู้นี่ต้องรู้ขันห้านี่จะรู้อย่างอื่นกันห้าตั้งขันห้ากันตัวเอง<ม>คนที่จะรู้ได้ก็ต้องพิจรารณ์เน<ม>จะเรียกว่าวิปัสสน า, นสนาการพิจารณ์สิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงโอให้เห็นว่าเออมันเป็นจริงเป็นน้าไปเป็นลมจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาเองหเห็นว่าเออ ที่มันประกอบที่เป็นรูปเนี่ะนี่กันเป็นอย่างนี้คือติ น, น้ำไพลมณีเรียกว่ารูปรูปนั้นเป็นที่อยู่ของอะไรรูปของจีู่ของจิตเจตสิกจิตเจตสิกถ้ามีรูปมันไม่มีมันไม่สามารถจะปรากฏอะไรได้เพราะนั้นมันมีรูปมันอยู่ในจิตเจตสิกแต่เวลาก็ขึ้นเนี่ยขึ้นจิตก่อนเจตสิกแล้วก็รูปส่วนนิพพานะมันเป็นผลเราเห็นการเกิดกันดับการเกิดกันดับ และเข้าใจการเกิดการดับสุดท้ายการเกิดดับจะไม่ยื่เหนือสิ่งเหล่านี้พ่อโน้นมีรูปหลงรูปภพอรูปภพก็ยังมีรูปอยู่ข้าว่ามีรูปก็คือยังต่องจิตในรูปอยู่อย่าเป็นสัตตะคือผู้คล้องอยู่ในรูปกับอรูปอันนี้ส่วนนิพพานคือดับคือดับทั้งรูปและอรูปคำว่าดับคนที่ดับรูปและอรูปได้ก็ต้องเข้าใจรูปรูปก็คือขันธ์นี่แหละ กลับมาที่เดิมกับรูปประคันทำไมกลับมาที่เดิมเพราะรูปประคันนั้นเป็นที่มาของการปรุงแต่งที่เราปรุงเราแต่งเรียกว่าสังขารด้วันก็เพราะว่ารูปอันนี้ลงเราจึงไม่เข้าใจเพื่อให้เข้าใจงยกสิ่งเล่านี้ขึ้นมาพิจารณาแต่ละอันว่ามันเป็นผลปวงอย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันตั้งอยู่เป็นอย่างไรแล้วมันดับไปเป็นอย่างไรถ้าการเกิดขึ้นก็ไม่รู้ การตั้งอยู่ก็ไม่รู้นะครับการรับไปไม่มีเลยเนี่ยคือสภาพทั่วไปของสภาว ะ, ะทั้งหลายหรื อ, อเราจะอยู่แบบนี้ <im it> อยูแบบสภาว ะ, ะทั้งหลายเราก็มีการเรียนรู้เกิดขึ้นก็มีรับรู้ตั้งอยู่กับพิ่ารนาแล้วมันจะดับไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าเกิดขึ้นได้รับรู้ทุกสภาวะอันมันตั้งอยู่คือปรากฏให้พิ่เจรนาดูแล้ทุกอย่างมันก็จะดับได้ด้วยปัญญา นั่คือขั้นตอนมถ้าเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเราไม่รับรู้อะไรเลยแค่อยู่แล้วไม่พิจารณาว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์คือรับรู้วรับรู้ว่าอันนี้คือสุขเนาะไม่ถูกหนึ่งแต่พิจารณาคือวางมันก็คือสุขมันก็คือทุกข์มันคือแปลกปะามันเฉยๆแล้วก็วางเนี่ยจิตมันจะเป็นอิสระอย่างนี้จิตมันไปอิสระมันไปรับรู้แล้วมันไปยึดมันไปติดมันไปคล้องเรื่องสิ่งเหล่านี้ ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นสุกก็าตามอารมณ์ที่เป็นภพวกกว็าตางหรือเฉยๆก็ะตางก็ยังชื่อ ว, ว่าค้องเพรามันติดอืูในสิ่งเหล่านี้นี่คือสภาวะที่เป็นจิตที่เป็นเจตสิกที่เป็นรูปใน่านไม่ต้องพุตตุนเพราะมันไม่ดับมันรู้จักกันดนับเพราะเรามาเริ่มต้นอย่างนี้ว่าจะไปรู้ได้อะไรสติก็ไม่มีคือการลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นสมาธิความมั่นคงในอารมณ์ มันก็ไม่มีสติสัสมปชัญญะความรับรู้ในกองสังขารสังขารก็เป็นที่เราปรุงแต่งนั่นแหละแต่ละกองแต่ละกองคําว่ากองก็คือขันนั่นแหละความรับรู้ในกองสังขารในแต่ละกองกองหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกว่าขันห้างนั่นเองมันไม่เกิดหรือไม่มีความรับรู้ในกองสองฐานด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญามันไม่เกิดขึ้นด้วย ปั่นยังงอเพราะนั้นการเกิดขึ้นตั้งและอยู่กับการดับไปกับมันมันก็ไม่เปิดมันก็สภาวะมันก็จะอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นตั้อยู่ก็มันเป็นอย่างนี้แก่จก็เราจ ะ, จะมั่นคงอรอยู่บนไดก็ตามเหมือนที่พระเจ้าสอนพระโมคคลลานะโดยว่าสามข้อปราประสงค์หรือวัตถุประสงค์คือต้องการโมคคลลานะคืออย่าเอาจิต ไว้นอกกายเป็นภาษาเราง่ายๆก็แปลว่าทุกวันเนี้ยพู้เราทั้งหลายที่เป็นอยู่คือเราเอาจิตความรู้สึกเราคือปรุงแต่งนอกกายเหตุเพราะตาเห็นรูปก็ไปปรุงตามตาปรุงตามรคคูปเหวืปรุงเสร็จแล้วก็ไม่ดับไม่ดับก็คือมันไม่พานัือ น, น, นี่ถ้าจะดับไม่มีก็ไปปรุงสิ่งที่ใหม่เกิดขึ้นใหม่ก็ไปปรุงต่อคือไปคิดต่อ มันไม่มีที่จบจิตสิ้นนั้นไม่มีอะไรเป็นบทเรียนเลยไม่มีซักบทเลยว่าเป็นบทเรียนมันถึงได้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นพิจารณาอย่างนี้เริม่มต้นจากหยาบกลางละเอียดหยาบก็คือรูปประคันที่เราอยู่ทั่วๆกทุกไปหยาบไปสุดแล้วนะละเอียดคือรูปที่มันเกิดจะอุปัฏฐสมาธิหรืออุคคานิมิตกาตาปฏิภาคานิมิตกาตามอ่ารู้ทำมาเรียกว่าละเอียดนั่นคือตัวพบตัวชาตินะ สังสารตาภาวะภูมิมันั่นคืตัวที่จะไปคือสวะาวะจะเป็นรูปเทพาจะเป็นภาานพมันก็คือภาพนั่นแหละภพก็คือภาพภพก็คือความที่อยู่ที่ความอยากแล้วมันอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรมันก็จะไปอยากมีอะไรเป็นถ้ามันอยากได้ในของที่ไม่ดีมเกิดือถ้ามีของที่ไม่ดีเกิด อ, อะไรขึ้ น, นก็คือาตัณหาหนอเองเพราะภพอันนี้ก็คือตัณหาแต่อะไที่มีตัณหาอันนี้อยู่ โปรกรมตันหาพราวะตานหาวิ่ภาวะตานหาคือคำว่าการนี้อยู่พบเป็นที่ปรากฏชัดเจนแน่นอนที่ที่ไปฟังพวกเรา ส, สรงสันตตาภาวาเฟยท่านเทือกอยู่ในพบมาติยาก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ว่าจะเป็นพบน้อยหรือว่าพบใหญ่โดยภาพรวมคือจะอยู่นานหน่อยพูดงงแต่เป็นพบน้อยก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่พบใหญ่จะอยู่ในนานเช่นพรหมก็อยู่ได้เป็นหมืนหม่นๆปีดีเพลียพบใหญ่ อยู่ได้นานกว่าเราแต่มันก็แค่นั้นเนะพราอมันไม่มีการดับคือนิพพานคําว่ามีดับคือยังติดแต่เป็นรูปหรืออารูปก็าตามหรือไม่รูปละเอียดแต่เกิดขึ้นจากการกำหนดเกิดจากท่าลัางคือว่าพบเจยบพบวันนี้หรือภาพวันนี้อยู่ในกามไปฏิการมาอะพอกยังบริโพกามอยู่กันหลายหลามันก็ปฏิกรรม รูปภพอรูปภพกับรูปประชารูปรประชางมงปฏิรูปประชาการรูปปาะาแต่สุดท้ามนก็อยู่อย่างนี้อยู่ช้าอยู่เราอยู่นานมันก็เป็นอย่างนี้กลับมาที่เดิม น, นี่คือสิ่งที่ผู้จ้าของเราเห็นมองการใจเป็นหมืน่นหมื่นปีไม่ใช่ธรรมดาอย่างพวกเราโนอะพบภพบชาติอยู่ถึงแม้จิต ด, ดวงนี้มันละเอียดเพิ่งก็น่าอยู่คล้องว่างๆอยู่กอาการไม่รู้หยาบอย่างพวกเราเนียนก็อยู่นี่ก็ตามแต่จิตมันก็ยังคล้องอยู่แต่ ไม่รู้ตัวเองว่ามันของนี่จะเป็นที่มาเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากหยาบก็คือง่ายเนง่ายเริ่มต้นจากสิ่งที่มันง่า ย, ยสิ่งที่เป็นรูปแล้วก็ต้อค่อยอารูปคือจิตรูปก็คือรูปตัวเราแต่ตัวรูปขัดขันเพราจิตคือนามขันทั้งสองอย่างรูปขัดขันก็เลยอารูปขัดขันก็เลยคือรูปกับนามก็เล ท่านเริ่มต้นว่ากําหนดแต่เราก็อยากเห็นแล้วก็อยากละไม่อยากท่านมีไม่อยากท่านมันเป็นอยากละมันแต่พระเจ้ากําหนดคาแรกที่กำหน ด, หดเหมือนลมหายใจท่านจึงใช้ว่ากําหนดลมหายใจให้เข้าใจลมหายใจอันนี้เพราะะฉนั้นการที่พระเจ้าบอกให้สติอยู่กับกายทํำยังไงก็ได้ไม่้สติอยู่ข้างนอกก็คือกำหนดลมหายใจ สติมันก็จะเป็นการตัวเองนี่คือบทแรกเริ่มต้นจา บ, บทแรกให้สติอยู่กับลมหายใจยังไงก็ได้แถมระคำบริกรรมก็จำได้อะไรก็แล้วแต่ั้นมีดีไม่มีเกียรติปุถุตโมตมุสัมาอรหังยูโาอะไรก็แล้วแต่คืออแค่นับก็ได้หรือกําหนดลมใส่ใจเก็ได้กันอาจจะเข้ากั้นลมหายใจแล้วก็ปล่อยออกบางอย่างนี้ก็ได้แต่ให้มันต้องต่อนเนื่อง มันถึงจะได้ผลต่อเนื่องมากน้อย ก, กระดาษไหนทําให้มันชํานาญธรรมะจริงนงั่อือบนไดก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้พระมกุฎาชกุฎน่ะต้องใช้ก็ใช้เออยุดนอนกุูเจ้านะาบอกมกุฎราชกุฎินะท่านเพิงโม่ง ม, งมากเดินก็ไม่ไหวแล้วนั่งเข้าไม่ไหวแล้วกุยเจ้าบอกเธอกขากำหนดนอนในท่าศีรษะสายญาตนี่เป็นคําของพุรุเจ้าหนอนในที่สาาั้นจแล้วพึงกําหนดว่า รู้ตัวเมื่อไรหร่หาว่าทำมันเคลิมไปมาเพลอไปกับมารู้สึกตัวเมือไหร่ก็หมดที่ว่าข้าพเจ้าก็จะตื่นเห็นไหมไม่ใช่กำหนดรู้ตัวก็หลับต่อนะกําหนดให้รู้ตัวเมื่อไหรกกาหนดช่างมันมันง่วงเหงาหลับไปเรื่อยธรรมาดาถ้าขันแต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เช่นรู้ตัวอดตื่นจากผวังถ้าจิตเมื่อไหร่คือหลับตื่นตื่นนั่นแหละเมื่อไหร่กำหนดจะลุกขึ้นมา ให้มันหายด้วยวิธีใดก็ตามอย่าล้างหน้าล้างตาเบินหรือสาทยายมนอะไรก็ได้เพื่อมาหายง่วงเพื่อจิตมันตื่นี่คือพุโทโธนั่นี่นี่คือวิธีการที่บุญเชี่วสอนบวกเรามุ่งพยายามทำ ท, ทุกปฏิธีทางง่วงเหงาหานอนก็เอาชนะความง่วงเหงาหอนเนี่ยนี่คือพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าจีประทานแก่พระมุคลาณนะ์จนสาเร็จในวันที่เจ็ด อันนี้คือวิธีการกุศโลบายพวกเราในอย่างเช่นวันนี้อาการไม่อำนวยเราอาจะเดินรอบไม่ได้ข้างในมันก็เดินได้ในโบสถนั่งได้เพียงแต่เรากําหนดไอ้โบสอยู่กับถ้ามันก็แบบไม่ได้เอาสวดมนต์ก็ได้ถ้าสวดไม่ได้ก็เปิดตําราดูก็ได้คืออย่างไรก็ได้ขอให้อยู่สติอยู่กับตัวจะอยู่ใกล้ตัวถ้าไม่อยู่กับตัวมันจรขอให้อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด สตินะให้อยู่แก่ตัวมากที่สุดตั้งป่อเอาไว้อย่างนี้เปิดเข้าใจชัดเจนหรือถ้ามันออกไปเที่ยวกันดึงกลับมันโดยการกําหนดหนวยอะไรก็ได้ลมหายใจหรืออื่นให้มันกลับมาหาตัวเองให้มันเร็วที่สุดจะไปปล่อยปะละเลยจะไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็จะไม่เห็นในแต่รูปหยาบๆ ย, ย, ยังไม่ก็เห็นเลยแตรูปกลางรูปละเอียดนี่ไม่ต้อาพุดถึงเลยน้ำ เพราแค่รูปหยาบที่เรามีอยู่ก็กําหนดให้เรารู้เอือนรูปหยาบนะ่ะสุดท้ายก็ลงที่ดินน้ําไปลงของรูปส่วนานา ม, ามันคจิตเจตสิกจิตเจตสิกนั้นถ้าไม่มีรูปมันอยู่ไม่ได้เหมือนสาลาน้นตอนนี้มันอยู่ไม่ได้จิตอยู่ไม่ได้เจตสิกอยู่ ไ, ได้อยู่แต่รูปคือดินน้ําไปลมลมมันก็ไปแล้วน้ำมันก็ออกไปแล้วดินก็ยังไปไหนไม่ได้ลมเราบอดินน้ําไปลมมันคือรูปมนะ้ย มันเอาสารอะไรไม่ได้พวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อลมออกกันแล้วจิตเจตสิกที่อยู่กับจิตมันก็จะไปด้วยมันไม่อยู่กับพวกอันนี้หนระือมันไม่ได้อยู่กับดินน้าไฟลมอันนี้นะือเขาคงจริงเมื่อเรานอนหลับจิตหีืวันใดก็ตามท่าไหนก็าตามเราไม่เคยรู้ว่าเออนี้ยืนเดินตะแรงไม่รู้รู้แต่อีกพบพบหนึ่งภาพหนึ่งภาพที่อยู่ในเกิดจากจิตเรานลกพิดิุงแต่งแล้วแหละเรียกว่าโมโนภาพ แล้วมโนภาพมโนภพนั่นแหละตัวขอภพขอชาติประเดนมันไม่ได้ตายตัวนี้มันไม่ได้ตายจิตเจริสิกันต์ด้วยต่อมันจะไปอย่างนั้นถ้ามันนิพพานะมันยังไม่ดับมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เรากระเห็นแต่รูปจิตเจริญสิกรูปสุดท้ายบลองที่รูปหนึ่งแต่นิพพานเกิดนิพพานเอะมันไม่เหมือนเราไม่เห็นกระบวนการขั้นตอนของมันไปนั้นให้เราฝึกเยอะสามคำคือ สติสธิปัญญาเพื่อควบคุมรักษาอบรมจิตตัวนี้ให้เข้าใจว่ากุศล น, นะที่อกุศล น, นะนี่มันเฉยๆนะจิตมันก็จะรับรู้โอ้จิตเป็นกุศลเป็นอย่างนี้จิตเป็นอกุศลมันเป็นอย่างนี้จิตมันกลางๆเลมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นคุณค่าเราจะเข้าใจว่าวันหนึ่งเมื่ออยู่กับรูปวันนี้ไม่ได้คือดีนนะ้าไฟลมวันนี้ไม่ได้ จิตมันแค่เข้าใจว่าจะต้องไปที่ไห น, นแต่มันจะเป็นต้องไปอยู่เวหาที่อยู่ใหม่เวหาที่ก่อใหม่แต่ต้องมีรูปเป็นที่ตั้งเรียกว่าทิฏฐิวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณต้อง ม, อมีที่ตั้งมันคือรูปอยู่แล้วเพียงแต่รูปนั้นเกิดจากาจรูปละเอียดไม่ใช่รูปหยาบอย่างนี้แต่มันเข้าใจว่าเป็นจริงเป็ตุเป็นต vere, ันต้งเพาะจะเอาเป็นขันเหมือนกันทางท่านในมรรคหรือแค่ขันสี่มันเข้าใจว่าเป็นขันห้องจิตมันเข้าใจยยอย่างนั้นเรียกว่า เห็นวิปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงคือผิจากขนองของธรรมนี่เพราะจิตเราไม่เห็นความจริงตั้งแต่ทีตแรกคําว่าความจริงนั้นอย่าลืมว่าที่ใดมีความจริงที่นั้นมีความเท็จเราจริงเรียกจริงว่าข้อแท็จจริงคือมีทั้งข้อเท็จและข้อจริงคืออะไรนะไม่ใช่ีความจริงอย่างเดียวนะรูปร่างกายนี้รความจริงมันก็มีความเท็จมันก็มี แต่เรามองไม่เห็นอสเท็จแต่ที่สําคัญคือผู้เจ้าของเรามองความจริงมันให้มองความเท็จเรยวกว่าสัตว์จับคือความจริงแต่เราไม่อยู่กับความจริงเรากลับไปอยู่กับความเท็จเห็นในแต่ละวันไปอยู่กับความเท็จคือความไม่จริงคือจิตมันเข้าใจอย่างนั้นเพราะมีความรู้แค่นั้น วันจะ้นทเราฝึกเนี่ยขอ้อผู้แย่ก็จะทั้งข้อเท็จและข้อจริงสุดท้ายต้องเอาความจริงขอบจริงเป็นที่ตั้ ง, รงเรียกว่าสัจจะสัจจะนั่นเป็นความจริงที่เป็นธรรมชาติรเรียกว่าสัจจะพรม น, นะนั่นคืออริยะคือมันสิ่งที่เป็นประเสริฐจเรียกว่าอาริยะสัพที่ความจริงที่เป็นประเสริฐแสับคนมนุษย์าทั้งหลายพึงนิ่งพึงเป็นพึงเกิดขึ้นในสภาวะจิตของตัวเองเพราะนั้นในขณะที่อย่างเรา บาลามีเดียนี้ไม่ถึงเดีกอย่างน้อยที่สุดคือนึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระมุคคานะเอาว่าให้สติอยู่ในกายหรือใกล้กายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วมันจะเกิดปัญญาเองคือเราเห็นว่าเดียบูพรอผู้ว่าเกิดขึญญ้นรับรู้ตั้งอยู่พิจารณานเราจะเห็นข้อแท้จริงด้วยปัญญาบาลังก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นข้อแท้จริงอันนี้คือในกองสังขารคือขันอันนี้ ให้เห็นความรู้ยิ่งเห็นจริงในกองสังขารอันนี้ด้วยปัญญาเราก็เชื่อเป็นผู้คนประสบความสุเร็จในการปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราทั้งหลายได้รู้ยิ่งเห็นจริงในกองสังขารอันนี้ด้วยปัญญาทั้งหมดทุกคนทุกท่านเพื่อ